ปาราชิกศิกษาบทที่สองถามเพราะการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. นึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิจลักมีราคาห้ามาศ หรือเกินกว่าห้ามาศต้องอาบัติปาราชิก 2. ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักมีราคาเกินกว่าหนึ่งมาศหรือน้อยกว่า5ามาศต้องอาบัติทุนละใจ 3. ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักมีราคาหนึ่งมาศ หรือน้อยกว่าหนึ่งมาศกต้องอาบัตทุกกฎเพราะการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้